พวกเราคงคุ้นกับชื่อพระเจ้าเปรตที่โกศล น, นะพระเจ้าเสรตที่โกศล น, นี่เป็นกษัตริย์สมัยพุทธกาลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะมากกว่าพระเจ้าพิมพิสารซะอีกพระพุทธเจ้าจำมสาประทับอยู่ที่เชตวันเมืองสาวัตถีนานที่สุดยนะี่สิกบกว่าปี อยูสีก่นะวกว่าพันสาพระเจ้าเสนิโกสนก็เป็นกษัตริย์ครองเมืองสาวัตถีแล้วก็มีอานาจมากพระเจ้าเสนิโกสนมีนิสัยอย่างนึงคือชอบสวยอาหารนะพูง่ายคือกินจุเลนะเพลินในการกินจนกระทั่งร่างกายอ้วนนะมีน้ําหนักมาก เวลาเดินก็ไม่คล่องแคล่วเวลานั่งก็ไม่สบายเวลาไปฟ้าพระพุทธเจ้าก็อึดอัดพระพุทธเจ้าก็สังเกตเห็นนะก็เลยพูดแนะนำพระเจ้าประสิทธิ์ที่กอดสนโดยจับเป็นคาถาว่าผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในการกิน ยอมมีเวทนาน้อยนะแก่ช้าแล้วก็อายุยืนเพราะเจ้าเป็นที่กุศลก็ชอบนะชอบแต่ว่าคงไม่อยากจำหรืออาจจะคิดว่าจำไปก็เวลาเห็นพระกยาหารก็อาจจะลืมก็าบังเอิญมีหลานนะมีพระนักดามาเสด็จมาด้วย ก็เลยให้หลานเนี่ยจำเอาไว้นะจำคาถาคําแนะนําของพระเจ้าไว้แล้วพอทุกมือเนี่ยเวลาสวยพรกาาริจฐานพระเจ้าประสิธิ์นิโคสนก็ให้หลานหรือพระนัตตาเนี่ยนะท่องคาถานี้นะเป็นการเตือนใจตัวเองเตือนสติให้รู้จักเผ่าๆในการกินบ้างนะอย่าเพลิดเพลินในการกินก็ช่วยได้มากทีเดียวนะเพราะว่า พอได้ฟังคาถานี้นจากหลานก็ทำให้รู้จักยับยั้งในการกินได้มีความประมาณในการบริโภคไม่นานสุขภาพก็ดีขึ้น น, น้ำหนักลดเดินเหินได้คล่องแคล่วทำอะไรก็สะดวกสบายก็เลยดีใจแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วก็ชื่นชมสารเสริญพระตถาคตพระองค์สอนทั้งในเรื่องประโยชน์ทางโลกและประโยชน์ทางธรรมนะประโยชน์ทางโลกก็ทิฏฐธรรมิกตถะคือประโยชน์ปัจจุบันประโยน์ทางธรรมก็ประโยชน์ทางใจสัปรรมปิยิกถะเรื่องการที่มีคนมาคอยเตือนให้เผาเผในการกินอาหารหรือว่าเตือนให้มีสติเนี่ยมันก็มีเรื่อง ค, คล้ายๆกันอยู่เรื่องหนึ่งแต่ว่าคนละประเด็นนะ เป็นเรื่องของแม่ทัพชาวโรมันคนหนึ่งสมัย 2,000 ปีที่แล้วก็ใกล้ๆกับพระเจ้เอาอโศกแม่ทัพคนนี้เก่งมากแล้วก็สามารถที่จะกีดทาทับไปตีเมืองคาร์เทจ ซ, ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของโรมได้ตีแล้วก็ทำลายพินาศยับเยินเลยก็เป็นชายชนะที่ผู้คนเนี่ยชื่นชมยินดีมากแม่ทัพคนนี้ชื่ออเมเลนัส พอกลับกรุงโรมนี่ก็มีพิธีแห่แหนนะมีพิธีแห่มีประชาชนมาชื่นชมสารเสรนสองข้างทางเราจะนึกภาพเนี่ยถนนถนนในกรุงโรมเนี่ยนะก็คงไหลเลย น, นั่นนะแล้วก็มีรถศึกนำหน้าตามมาด้วยกองทัพแล้วก็ ข้าทาสบริวารที่ยึดมาได้ทรัพสมบัติขบวนยาวเหยียดแล้วก็มีประชาชนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยอยู่สองข้างถนนโห่ร้องโปรยดอกไม้แล้วก็กูกล้องเรียกร้องชื่อแม่ทัพคนนี้อามิเลนัสอามิเลนัสสิ่งที่น่าสนใจคือว่าไอ้รถสึกของอามิเลนัสเนี่ยข้างหลังตัวแม่ทัพนี่เป็นเป็นทาสคนหนึง่งทาสนี่ก็ยืนอยู่ หลังเอมิเลนัสในรดศึกคันเดียวกันอาท่าคนนี้เนี่ยก็มีหน้าที่อย่างห น, นึ่งนะก็คือกระซิบข้างหูเอมิเล น, นัสกระซิบว่าอะไรนะกระซิบว่าอย่าลืมนะว่าท่านเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งคือว่าเวลาคนได้รับคำชื่นชมสารเสริญเนี่ยชนะศึกมาเนี่ยนะมีคนแฮโว่ร้องนเป็นหมื่นแสนเนี่ยก็ จ, จะ ลืมตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาเป็นเทพเแล้วคนก็ยกย่องให้เป็นเทพจริงๆนะคนโรมันเนี่ยอมีเลนัสก็คงจะก็คงจะรู้ว่าเนี่ยเวลามีคนเชียร์คนสรรเสริญเนี่ยอาจจะเหลิงนะก็เลยให้ท่านเนี่ยมากระซิบข้างหูว่าเนี่ยอย่าลืมนะว่าท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งหมายเขาว่าไม่นานท่านก็ตายนะอย่าไปเหลิองอย่าไปยินดีมาก ท่านคนนี้ก็ไม่รู้เป็นเป็นใครนะแต่คิดว่าคงเป็นคนมีความรู้นะเพราะว่าถ้าในใ น, ในสมัยรมมาเนี่ยเขาก็เอาคนมีความรู้มามมามาใช้งานใช้การเยอะอย่างอีศนี่ก็เป็นท่านะนิทานอีศบที่เรารู้จักกันดีสมัยเด็กๆเนี่ยก็เป็นทานคนหนึ่งแต่มีความรู้ถูกจับได้เขาก็เอามารับใช้เจ้านายอันนี้ก็เป็นการเตือนสติอีกแบบหนึ่งนะ เป็นการเตือนสติเยอะว่าอย่าไปหลงว่าตัวเองเป็นเทวดาหรือว่าอย่าหลงว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์เลอเลิศเป็นซูเปอร์แมนนะอย่าลืมว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์นะที่มีผิดมีพลาดละในสุดก็ต้องตายนะเป็นการเตือนนะผู้มีอำนาจนะเตือนคนระแบบกับที่หลานพระเจ้าพระเศียรที่โกศล น, นะแต่ว่ามันก็ได้ผลนะมันช่วยเตือนสติคนที่มีอำนาจ ไม่ให้เหลิงได้ที่จริงเนี่ยถึงแม่พวกเราไม่ใช่เป็นคนที่มีอานาจนะเป็นผู้ทรงอิทธิพลหรือว่าเป็นมีบารมีมากเนี่ยแต่ว่าบางครั้งก็ต้องอาศัยคนที่ช่วยเตือนนะเพราะว่าเราอาจจะเพลินกับอะไรบางอย่างโดยที่เราอาจจะลืมตัวเมื่อไหร่ก็ได้มีเพื่อนหนึ่งก็ไลฟ์ฟังนะเขาเป็นพยาบาลแล้วก็ วันหนึ่งเขาก็เกิดความคิดว่าเขาหน้าจะซื้อ iPad Mini มาใช้เห็นะใครๆก็ใช้ iPad กันเขาก็อยากจะได้บ้างก็ไปหาไปสืบสอบไปหาราคาไปหารุ่นมาจนกระทั่งได้เจอรุ่นที่พอใจแล้วก็ร้านที่จะซื้อกำลังจะซื้ออยู่แล้วนะลูกสาวก็โทรมาลูกสาวอายุ14เคยมาบวช บุตรพรมจรินีที่นี่สมัยอายุ 90-18 ขวบเนี่ยก็ถามแม่ว่าแม่ได้ข่าวว่าแม่จะซื้อ iPad mini หรือแม่ก็ตอบว่าใช่ทำไมหรือลูกก็ตอบว่าแม่แม่มี iPhone ก็แล้วนะแม่มี iPhone แล้วแม่ก็มีแม่ยังมีโน้ตบุ๊กแล้วก็มี n น t b o o k อีกนะแถมยังมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงาน แม่ยังจะเอา i อ a d ดมินอีกเหรือแม่ก็บอกว่าใช่สิเสรพราะว่ามันสะดวกนะแม่อยากได้ลูกก็เลยพูดว่าทำไมแม่ไม่รู้จักขักห้ามใจซะบ้างนะเวลาอยากได้เนี่ยทำไมไปให้ความอยากมันคลองใจนะแม่ได้ฟังก็อึ้งเลยนะบอกว่าไปไม่เป็นเลยนะเพราะว่าสิ่งที่ลูกพูดมาเนี่ยมันถูกเลยนะแม่ฟังก็ได้คิดนะแล้วก็ชื่นชมลูกนะว่าเออ ลูกสอนแม่ดีนะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ลูกเนี่ยได้มาบวชสา ม, ม, มเณรบวชพระมจริณีที่นี้นะถือว่ า, าทาให้ลูกเนี่ยได้ได้มีความเข้าใจนะเรื่องความพอเพียงแล้วก็เตือนแม่ได้นะบงทีเราก็ต้องนะมีคนเตือนแบบนี้บ้างนะเป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องมีมีมีมลูกมี หลานมาคอยเตือนบ้างเพราะว่าอาจจะไม่งั้นก็อาจจะเพิดเพลินในการช้อปปิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งยั่วยวนเรามากาตัวอย่างที่พูดมาเนี่ย ก, ก็ชี้เห็นนะว่าบางครั้งคนเราเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยคนอื่นช่วยเตือนเพราะว่าไอ้สติที่เรามีเนี่ยนะมันไม่พอ มันไม่พอที่จะที่จะเตือนตัวเองได้นะต้องอาศัยคนช่วยเตือนบางคนบอกว่าเนี่ยชดสติฉันเนี่ยก็พอฉันก็มีพออยู่แล้วนะฉันไม่ใช่คนบ้าฉันไม่ใช่เป็นคนวิกลจริตเนี่ยฉันมีสติอยู่แล้วนะทำไมต้องมาเจริญสติก็เพราะว่าสติที่เรามีเนี่ยมันมันไม่พอที่จ ะ, ะช่วยเราได้นะ อย่างตัวอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่ร้ายแรงนะเช่นคนที่เพลินในการกินหรือว่าคนที่หลงตัวหรือตัวว่าเป็นเทวดาหรือว่ า, าเพลินในในเทคโนโลยีนะอยากจะมีนะอยากจะใช้อยากจะได้อย่างคนอื่นเขาบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใครจะไปรู้นะ มันอาจจะเป็นเรื่องสำคัญซึ่งถ้าเกิดไม่มีใครเตือนนี่ก็อาจจะเกิดเรื่องไร้แรงขึ้นมาก็ได้ที่โรงเรียนหนึ่งที่กรุงเทพเนี่ยนะเป็นโรงเรียนที่คนมีฐานะส่งลูกไปเรียนถ้าเอ่ยชื่อก็อาจจะรู้จักแต่โรงเรียนแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าเวลาเลิกเรียนเนี่ยพอพ่อแม่มารับเนี่ยนะโอ้ยจราจร น, นี่แน่นขนัดเลยโรงเรียนก็ อยู่ในซอยเล็กๆที่จอดรถก็มีไม่มากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจัดระเบียบจัดการจราจรนะรถเข้ารถออกนะวิธีหนึ่งก็คือว่ารถเดืองให้รถเดินทางเดียวเข้าประตูหนึ่งออกอยู่ประตูหนึ่งมีผู้ปกครองคนหนึ่งนะเป็นนายทหารเห็นว่ารถจอดอติด ก, กันอยู่ตรงประตูทางเข้ายาว จะกลจะไม่มีที่จอดรถแกก็เลยไปเข้าทางปร ะ, ประตูออกเข้าทางประตูออกมันก็เป็นการสวนนะแต่บังเอิญประตูออกนี่ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ในประตูเข้าเนี่ยรถเยอะมากนะรถติดกันเป็นแพรเลยเพราะก็เข้าทางประตูประตูออกก็สามารถที่จะแล่นฉลุยเลยนะแล้วก็ได้ที่จอดรถซึ่งบางเอิญมันเหลืออยู่ที่เดียวนะ ก็จอดรถเข้าอมีที่จอดรถได้แต่ปรากฏว่ารถอีกคันหนึ่งเนี่ยซึ่งเข้ามาเข้าขับรถตามตามกฎเกณฑ์ตามระเบียบเนี่ยเขาก็เขาก็เลงที่จอดรถตรงนั้นแล้วแต่ว่าปรากฏว่าโดนแซงโดยนัดโดน น, ดย น, น, ดย น, น, นายทหารคนนั้นแซงเขาก็ไม่พอใจเขาก็ลงจากรถมาต่อว่านายทหารคนนี้ว่าคุณทํางนี้ได้ยังไงนะมันผิดกฎระเบียบของโรงเรียน ในทางคนนี้คงไม่เคยมีใครพูดต่อว่าแบบนี้นะก็โกรธนะแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครนะประโยชนนี้เรามักจะได้ยินบ่อยนะรู้ไหมกูเป็นใครรู้ไหมผมเป็นใครรู้ไหมพ่อกูเป็นใครอะไรอย่างเงี้นะผู้ปกครองคุณก็บอกว่าผมไม่สนใจคุณเป็นใครแต่คุณทําไม่ถูกต้องนะเสร็จแล้วแกก็เดินกลับไปที่รถของแก นายทัพทั้งโกรธมากนะมีปืนติดอยู่ในรถก็เลยคว้าปืนมาแล้วก็เดินลงจากรถนะตามหลังผู้ชายคนนั้นไปก็คงว่าจะจะยิงสังสอนอ น, น, น, นะนะเพราะนั้นก็โกรธมากเลยนะบังเอิญเนี่ยในในตรงที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีมันมีพนักงานขับรถของโรงเรียนซึ่งคนนี้ก็ก็เป็นคนที่ มีปฏิภาณแล้วก็รู้จักพูดนะฐานเป็นพลเมืองดีด้วยแกก็เห็นว่าไม่ได้การแล้วนะต้องเข้าไปต้องเข้าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งปกติพลเมืองดีเนี่ยนะเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้าไปห้ามเนี่ยอาจจะเจอลูกหลงได้ไปห้ามเขาว่าอย่าทำไอคนนั้นก็อาจจะโกรธหันมาเล่นงานพลเมืองดีแทน อันนี้เราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวแต่ว่าพนัก ง, งานขับรถนี่แกจะทำยังไงะแกจะเตือนยังไงนะไม่ให้ในายฐานคนนี้เนี่ยไปยิงใครตายหรือว่ากลับมายิงแกตายเนี่ยแกก็เดินเข้าไปนะแล้วก็ไปแตะที่มือเบาๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่าท่านครับท่านมารับลู้ไม่ใช่หรอครับพอพูดเท่านี้นี่ นาถามว่านั้นหยุดเลยนะได้สติเลยตอนที่ก่อนตอนนี้ ก, กำลังโปรดเต็มที่เลยนะพอมีคนมาพูดเรื่องลูกเนี่ยมารับลูกใช่ไหมครับได้สติเลยนะแกะก็เลยนะหยุดเดินเลยนะกลับไปที่รถเอาอึดเก็บแ้ก็เดินไปรับลูก ลองนึกภาพนะถ้ากิดว่าไม่มีคนมาเตือนนะหรือว่ามีคนมาเตือนแต่เตือนไม่ถูกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คงเกิดเหตุร้ายนะก็คงมีใครสักคนเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้ปกครองคนนั้นก็อาจจะเป็นพลเมืองดีถูกยิงตายหรือว่าบาดเจ็บตอนนั้นเนี่ยนะนายท่านนั้นไม่รู้ตัวเลยนะเขาลืมตัวเพราะความโกรธข่มงำํำตอนนั้นเขาลืมไปเล้วนะว่ามารับลูก นะแต่พอมีคนมาพูดถึงลูกขึ้นมาเนี่ยแกได้สติทําให้อความโกรธหายเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างนึงนะคือพอรู้ตัวขึ้นมาทันทีเนี่ยความโกรธมันมันหล่นหายวูบไปเลยนะไม่โกรธแลนะรู้เลยว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะเอาปืนไปเก็บนะแล้วก็เลิกทะเลาะบอกแหวกกันเพียงแค่รู้ว่าโกรธเนี่ยมันก็มีพลังมากพอที่จะทําให้ ความโกรธเนี่ยมันมันดับหายไปได้นะไอความรู้ตัวเนี่ยมันมีพลังมากการมีสติรู้ทันความโกรธเนี่ยปัญหาคือว่าถ้าไม่มีคนเตือนนะนะความรู้ตัวจะมาจากไหนนะสติจะมาจากไหนอาคนส่วนใหญ่เนี่ยสติที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอเนี่ยที่จะรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้คือพอโกรธพุ่มนี่ก็ไปเลยนะตัวนความโกรธมันเล่นงานไปเลย มันไม่ใช่แค่ว่ากินจุนะจนเพลินมันไม่ใช่แค่เพลินกับเพลินกับลืมตัวไปซื้อ iPad m i n นนะอันนั้นมันเล็กน้อยนะแต่ว่าไอพีลืมตัวแล้วก็ไปยิงเขาตายนี่หรือยิงเาบาดเจ็บนี่มันเรียกว่าอนาคต ด, ดับรูปเลยบางทีลูกก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยกายถูกตาหน้าเป็นลูกคัดตะกรอนะพ่ออาจจะหนีไปได้นะแต่ว่าลูกนี่นะเสร็จเลยไอยลำพังสติของคน ทั่วๆไปเนี่ยมันไม่พอนะที่จะรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราลองนึกดูนะนการการมีเรื่องขัดแย้งกันทะเลาะเบาแวงกันนะชนิดทําให้คนเนี่ยลืมตัวจนกระทั่งสามารถจะกลายเป็นฆาตการหรือว่าสามารถที่ทําร้ายคนอื่นเนี่ยมันมีเต้มากเหลือเกินบางทีไม่ต้องทําร้ายใครทําร้ายคนรักทําร้ายแฟนหรือทําร้ายลูกนะ เมื่อวานซืนก็มีผู้ชายคนหนึ่งถูกตำรวจจับนะเพราะว่าไปทำร้ายลูกอายุเก้าขวบถึงตายเพราะลูกเนี่ยไม่ยอมทำการบ้านนะพ่อนี่อาจารืนมึนๆเล็กน้อยลูกไม่ทำการบ้านโอ้เอพ่อเลยซ้อมเลยเอาหัวทุ่มพื้นไปตายที่โรงพยาบาล น, นี่พ่ออะไรพ่อไม่มีสติพาอโกรธนะลูกเถียงพ่อลูกไม่ทำตามคำสั่งของพ่อ แล้วคนเราเนี่ยถ้าถ้าประมาณเนี่ยไอสติที่ตัวเองมีเนี่ยมันไม่พอใช่มันต้องมาสร้างขึ้นนะสร้างขึ้นมาจะหวังให้คนอื่นมาเตือนเราไม่ได้เราต้องเตือนตนเองเราต้องฉลาดในการเตือนตนนะและการเตือนตนเนี่ยมันต้องเตือนมันจะเตือนได้เนี่ยมันต้องกัดขันต้องหมั่นมาดูตนอยู่เสมอมันมาดูตนก็คือว่ามาดูมาตามดูรู่กายและใจนะ จะมาดูตอนอตอนตอนโกรธมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าพอโกรธแล้วนี่มันก็จิตมันส่งออกนอกแล้วมันมันเพ่งไปที่คนที่เราหมายมันปั้นมือจะเล่นงานหรือคนที่เขาพูดต่อว่าเราหรือคนที่เขาทาให้เราไม่พอใจในการที่จะเตือนตอนได้จนกระทั่งมีสติสามารถจะรับมือกับอารมณ์ที่มันพลั่งพรูถาโถงเข้ามาได้เนี่ยมันต้องเกิดการจากการที่เรามันนะ มันดูตนอยู่บ่อยๆดูตนก็คือดูกายดูใจหรือว่าอย่างที่พูดเมื่อวานก็คือรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกอันนี้มันต้องทําเป็นนิสัยนะรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะมันถ้าเราทําอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยมันจะค่อยสร้างนิสัยในการเทียบกลับมาดูใจอยู่เสมอนิสัยเดิมเนี่ยคือนิสัยที่ส่งจิตออกนอกออกไปเพ่ง ไปจดจ่ออยู่กับรูปรถกินเสียงที่มากระทบทําให้พอใจก็ดีทําให้ไม่พอใจก็ดีนะแต่ว่าลืมกลับมาดูใจกับตัวเองเมื่อไม่ไม่ได้ดูไม่ได้เมื่อไม่ไม่มาดูใจตัวเองการที่จะเตือนตนเนี่ยนะหรือว่าการที่จะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนียก็เป็นไปได้ยากกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เล่นงานเข้าไปเรียบร้อยแนละ้วนะเช่น ทำลูกตายเนี่ยจึงค่อยมาสำนึกผิดตำรวจจับเข้าคุกก็ขอตำรวจว่าขอไปจัดงานศพให้ลูกหน่อยตำรวจก็ยินดีนะให้ประกันให้ไปเพื่อให้พ่อนี่ไปจัดงานศพให้ลูกเพรอรู้ว่าพ่อนี่คงไม่หนีแน่นมาลุตตัวตอนที่ลูกตายเรียบร้อยแล้วค่อยมาสำนึกผิดนะอันนั้นมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่พอนะมันไม่ทันนะหลายคนมาลูตตัวว่าโกรธก็ต่อเมื่อทำลายเข้าของไปแล้วด่าไปแล้ว หลังการที่ระบายอารมณ์สายไปเรียบร้อยแล้วนะสติถึงค่อยมาทํางานสติวันนี้เป็นสติที่คืบคลานนะอย่างเชื่องช้าเล่นงานไปเรียบร้อยทําลายข้าวของไปเรียบร้อยหรือว่าเกิดโทษไปเรียบร้อยเราถึงค่อยมารับค่อยมารู้ตัวอย่าเป็นอย่างนั้นนะสติของเราความรู้สึกตัวเรามันต้องไวนะเพียงแค่มีอะไรมากระทบเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจยังไม่ทันโกรธเลยนะแค่งหงุดหงิด แค่คุณเครื่องอรู้ตั ว, วรู้ใจแล้วส่วนในระหว่างที่ยังไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นยังสบายๆก็รู้กายไปกินข้าวก็ก็รู้นะว่ากำลังเคี้ยวอะไรนะไม่ใช่ไม่รู้ว่าเคี้ยวอะไรเลยนะยกมือสร้างจังหวะก็ไม่รู้ว่ายกมือนะเพราะใจลอยนะแต่นั้นมันธรรมดานะสำหรับผู้ฝึกใหม่ แต่ถ้าว่าเราทาอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะทำวางใจถูกวิธีหันกลับมาตามดูรู้ทันกายและใจรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกใหม่ๆก็รู้บ้างไม่รู้บ้างไม่รู้รอ่ะเยอะกว่ารู้หลงอ่ะมากกว่ารู้ตัวไม่เป็นไรก็ทำไปทำไปคล้อยทำด้วยการวางใจอย่างถูกต้องนะก็คือว่าไม่เป็เพ่งมัน แล้วก็ไม่ไปหาเรื่องคิดนะทางสายกลางนั่นที่เราควรใส่ใจคือว่าไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งนะพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักจะตกอยู่ในทางสุดโต่งสองทางชิดเสมอบางครเถียงว่าเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับไปมัวเมาในกามอย่างที่เขาเรียกกามสุคาลิการุโยคแล้วก็ไม่ได้ทรมานตนนอนบนตะปูนะหรืออดตาหารจนผ่ายพร้อมเนี่ยจะเรียกได้ไงว่า ฉันไปจบตกอยู่ในทางสุดตรงสองทางทางสุดตรงสองทางนี่มันก็มีหลายระดับนะไอระดับที่ห ย, ยาบๆนี่ก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะคือหมองบุญในกามมัวเมาในกามหรือว่าทรมานตนแต่ทางสุดตรงที่มันละเอียดอีกนั้นอีกกว่า น, นั้นคือว่าเวลาสุขก็เพลินในสุขนะเพลินในสุขเวลาทุกข์ก็จอมจอมอยู่ในทุกข์นะอันนี้ก็เรียกว่า ถ้าเพลินในความสุขก็เรียกการสุขานหรือการนิโยค็ได้นะถ้าจอมจรอยู่ในทุกข์ในอารมณ์เศร้าโศกเสียใจก็เรียกว่ากะอัตตากิลมัฐานนิยโตกได้และถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าเราเบี่ยงไปเบี่ยงมาระหว่างทางสดตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะเวลามีอารมณ์ที่มากระทบทําให้ดีใจก็เพลินเห็นอาหารที่อร่อยก็นะ ก็เพลินกัการกินนะอย่างพระเจ้าประเสริฐที่ก่อสเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าการสุขาลิการนโยคได้คือเพลินในรสชาติที่อร่อยร่อยเพลินในเสียงเพลงเพลินในคําชมคําสรรเสริญนะแต่ว่าพอมีอารมณ์ที่ไม่ไม่พอใจมากระทบทําให้เกิดความหงิดทําให้เกิดความขุ่นเคืองทําให้เกิดความโกรธว่าจมจมอยู่ในอารมณ์นั้นโกรธก็โกรธ อย่างเป็นบ้านเป็นหลังใครมาแนะนําให้ให้อภัยก็ไม่ยอมใครมาบอกว่าให้ปล่อยวางก็ไม่ยอมบางทีโกรธคนที่มาแนะนําอย่างนักสิทธินะเวลาเศร้ า, า, าก็อจะจมอยู่ในความเศร้านะเราสังเกตไหมเวลาเราเศร้าเนี่ยเราอยากจะเราชอบฟังเพลงอะไรอเราฟังเพลงเศร้าทั้งนั้นแหละนะไม่อยากจะฟังเพลงอื่นแล้วนะขอฟังเพลงเศร้าเพราะว่าอยากจะจมดิ่งไปในความเศร้าอันนี้ก็เรตาตักกิลมิตรฐานพิยนะ่ะเป็นการทรมานตนอีกแบบหนึ่ง คือซ้ำเติมตัวในความทุกขนะ์แทนที่จะหาทางตะเกีตะกายขึ้นมาจากอารมณ์ทุกข์น้ำไม่นะกับปล่อยใจดิ่งลงไปทั้งในความเศร้าความกลัวความเบือ่ออันนี้เราทางสุดตมกันนะแต่ถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยระหว่างที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะ น, นี้เราจะเวี่ยงไปเวียงมาอยู่แบบเนี้ยนะอยู่บ่อยบย่แต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่เรามีสตินะมีความรู้ตัวเนี่ยนะใจเราจะเป็นกลางๆง เราจะถอนจิตออกมาจากความเพลินความยินดีนะไม่ไม่เพลินไม่หลงมัวเมาและเวลาใจเราหลงเข้าไปในความทุกข์ในอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็จะดึงจิตออกมาสติมันช่วยดึงจิตออกมาให้อยู่เป็นกลางๆไม่ชอบไม่ชังไม่ยินดีไม่ยิน้ายแล้วต่อไปต่อไปเนี่ยนะเวลามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าโบหรือลบเนี่ยก็จะไม่เข้าไปนะไม่เข้าไปในอารมณ์นั้น เรียกอย่างภาษาภาวนาว่าไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเป็นแค่เห็นเฉยๆไม่เข้าไปเป็นน้ีหลวงพ่อคำเขียนก็พูดบ่อยๆนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นนะอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ดีที่น่าเพลินก็เห็นมันเห็นความดีใจนะไม่เข้าไปในความดีใจความหงุดหงิเกิดขึ้นก็เห็นมันไม่เข้าไปเป็นผู้หงุดหงิดไม่เป็นทั้งผู้ดีใจและไม่เป็นทั้งผู้หงุดหงิดไม่เป็นทั้งผู้ ร่าเริงเบิก บ, บานแล้วก็ไม่เป็นทั้งผู้โกรธเคืองเศร้าหมองมันมีก็ดีในะความเบิก บ, บานแต่ว่าเราเห็นมันเดี๋ยวก็ไปเป็นทำไมอ่ะเข้าไปเป็นแล้วมันเสียหายไงมันก็เสียหายตรงที่ว่าพอมันพอมันดับหายไปเนี่ยเราก็หงอยนะเหมือนกับเราชอบฟังเพลงเพราะๆนะแต่พอเพลงนะั้นมันมันจบลง เราก็หงอยหรือว่าเวลาเราเพลิดเพลินกับงานเลี้ยงงานฉลองปีใหม่งานงานฉลองวันเกิดเรามีความสุขเรามีความยินดีเต็มที่แต่พองานเลิกเป็นไงงอยหงอยเลยหลายคนที่เพลินกับฟุตบอลโลกนะตลอดเดือนเนี่ยพอพอชิงแชมป์จบนี่งอยเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นพราไปติดในในความเพลิดเพลินยินดีนะซึ่งมันไม่จรหลังพอมันแปลเปลี่ยนไปก็ ก็ทำให้จิตใจเนี่ยเป็นทุกข์นะหลายคนเมื่อวานนี้ปฏิบัติได้ดีใจสงบนะใจนะมีความาเพลิดเพลินเบิอบอกบานไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่เลยแล้วก็ไปเพลิดเพลินในความรู้สึกแบบนั้นวันนี้ก็อยากจะได้แบบนั้นบ้างแต่เพราะว่ามันตรงกันข้ามยิ่งอยากได้ มันก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งเมื่อวานนี้เกิดใจสงบมากเท่าไหร่แลวอย่าให้วันนี้เกิดความสงบจิตใจกับฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมนะแล้วก็ยิ่งโมโหนะว่าทำไมถึงไม่ได้อย่างเมื่อวานเสียใจเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้พอไปติดนะไปติดกับอารมณ์ความสงบที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเห็นมันนะเออความเรามีความสงบเกิดขึ้นมีความ มีความเบิกบานเกิดขึ้นก็ดู ม, มันเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมาถึงวันนี้มันหายไปแล้วเราก็ไม่ทุกข์นะพราะเราแค่เห็นเราแค่รับรู้ดูมันเฉยๆหรือว่าที่หลวงพ่อท่านใช้คําว่ารู้สื่อๆรู้สื่อๆนะก็เป็นหลักอีกข้อหนึ่งนะรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกไอเห็นใจคิดนี่นี่ก็เห็นแบบเห็นเฉยๆหรือหรือรู้ซื่อๆ นะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ดูมันไปนะอันนี้แหละที่จะทําให้เราไม่ไม่ลืมตนนะและทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประคองจิตหรือรักษาจิตให้เป็นปกปติได้และสะติที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้แหละที่มันจะมาได้อย่างรวดเร็วทันการได้สามารถจะรับมือกับอารมณ์ต่า ง, างๆนะที่เกิดขึ้นไม่่าบวกหรือลบได้ไอ้บวกอาจจะไม่เท่ า, หาไหร่ลบนี่เส็นนะ มันสามารถจะก่อความเสียหายได้มากมายถ้าเรารู้ทันมันแล้วก็สามารถจะมีความสุกตัวนะใช้อย่างรวดเร็วรับพืนกับมันได้นี่ก็จะก้าวข้ามอารมณ์เหล่านั้นได้เอาคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับพระ